ชวิหาริาสุติาุายนุขันธนขันธ์นด สิสอนะนั่งจักปัญญาเกทมจักปัญญาทีพยายามสวดเหนกระชับกระชับาสวดเยอนยเสยงสั้นว่าสั้นเส้ยาวว่ายาวออว่เร็วรอีอูเอโอ่ว่าช้าชา ตัวเราสียงที่ประกอบด้วยเสียงสั้น a, sa, si, s a สั้นๆบานคลองบาให้มันกระชับ a, s s u si, su ประกอบด้วยเสียงยาว w ายาว o สสั้น a, i, u, a n sa, ang ยาวๆสั้นๆ สัโนๆสั้นๆสั้โยชจนะสั้โยชนะังนนพยัญชนะที่มันเป็นตัวสะกดมีตัวสะกดว่ามันขาดปึ๊บปึ๊บเลยสั ja min, ้โยเจนะสั้โยเจนงสั้โยเจนะศักดิ์ปะหานังโหตีตัณจักปัานาติเสียงยาวมันว่ายาวได้ เสียงสั้นไปว่ายาวว่าไม่ได้นะเราว่าเป็เสียงสั้นว่ายาวติเราว่าติว่ายาวยาวติเราว่ายาวยาวติเอเอเอเน่ติติติว่าอยงมันสุดแค่นั้นน่ะว่ายาวไม่ได้พอเราว่ายาวมันเพี้ยนฮะติเนี่ยมันกลายเป็นเียงอแล้วพอเราว่ายาวมันเพี้ยนอักขระวิบัตอักขระวิบัติ เสงสั้นว่าสั้นเสียงยาวว่ายาวมันนั่นจากปัญญาจิตทำเมจักปัญญาจิมันว่ายาวนะทำเมว่ายาวไปถึงไหนก็ได้เฉยปัญญาจิเมจักจักจักอ่ะจาว่ายาวว่าไตยังไงว่ายาวไมนะเสียงสั้นมันบังคับสั้นเลยนะเสียงยาวมันบังคับยาว ธรรมเมจจักปัจจานาติปัจานาตินันจักตรูปภยังปฏิจักอุปัจติสัญโยเจนังนันจักปัจจานาติตญาติจักอนุปนันสักสัญโยชนะสักขุปปาโดอุปปาโดติหติหติหสโยยังเท่าไรเท่าไร จัปรจานาติกายันจักปจานาติโหทับเบจากปจานาติโหทับเบโหทับเบาลีนะเนี่ยโทับเบจปจานาติ ยันจะทะลุพยายามปกติจะอุปจติสัญญจนำปัญจปัญาจติสิวันจปัจญาเจตยอมรู้จักเรียนด้วยระเซจปัจจาเจติยอมรู้จักรดด้วย ยันจตัตตุพยังปฏิปจจาุอปจติสัญญโฉจะนางอันหนึ่งสัญญโฉย่อมเกิดขึ้นอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นอันใดตัจากปัญญาาติย่อมรู้จักอันนั้นด้วยสิ่งที่ตามไปรู้ด้วยรู้ด้วยรู้ด้วยนั่นคือสติ ท่านจึเร hmm. ียว่ามาติมาลติมันเจอิมหาลัตติโตันปะจานาติสัตเตจปะจานาติยันจักตะโนภยังปิติจัปปัจติสัญโยชนัตัจัปปะจาาติย่รู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยหนึ่งเสียงอันหนึ่ง สังยอดสังยน์เครื่องผูกเครื่องมัดย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูและเสียงทั้งสองอาศัยหูเสียงทั้งสองนั้นใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยสติสติตามรู้ย่อมรู้จักอันนั้นด้วยมีสติทุกขณะมีสติทุกขะยะ มีสติทุกขณะมีสติทุกระยะจากคุณจากปัจจานาจเตรูปเปจจากปัจจานาจเตยังจากตะลุกใยังปฏิจากอุปจติสันโยจะ น, น, จนะังตามจากปัจจานาจเตขุดึงขันขุดยัมปยัมมอยู่ในนี้แหละขัน อยาอยตนะเคยก็ขันนั่นแหละมันเป็นอยนายตนะก็ อ, ยอยายตนะนั่นแหละมันเป็นขันพิธิรูปังพิธิรูปังสัจสมดุดียรู้จักโรคด้วยรู้จักความเกิดขึ้นของรูปด้วย รู้จักความดับไปของรูปด้วยรู้จักเวทนาวิจิเวทนาอย่างนี้เวทนาตัวเวทนาตัวนี้พยายามทาความเข้าใจทาความเข้าใจตัวเวทนาเราจะว่าอะไรตัวเวทนาความสวยอารมณ์การเสพอารมณ์การสวยอารมณ์การรู้อารมณ์การละลึก รู้อารมณ์หรือเราเจะว่าความรู้สึกก็ได้อารมณ์รู้สึกก็คือรู้สึกอารมณ์อารมณ์ทำให้เรารู้สึกเวทนาตัวนี้รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกเฉยเฉยอย่างนี้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉย ร, ร, รู้จววสวยอารมณ์พอสวยเข้าไปแล้ ว, วก็คือความรู้สึกดูมาที่ใจใจดวงเดียวทําให้เราเกิดความรู้สึกอะไรเป็นตัวรู้สึกใจเป็นผู้รู้สึกเป็นตัวรู้สึกรู้สึกเพราะมันไปสัมผัสมันไปสัมผัสตาไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงลิ้นไปสัมผัสรส กายไปกระทบเกิดการสัมผัสอม่ีกายรู้ อ, อยูอย่างนี้เวทนาอย่างนีความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนีความดับไปของเวทนาปีติเวทนายญาณทั้งกมโมรู้อยู่ความดับไปของเวทนา เวทนานี้เราดูดูมาจิตใจใจมันยินดีเราก็รู้พอเราความรู้ปั๊บมันก็นดับใจมันไม่ยินดีมันยินรา้ายเราก็รู้เพเราความรู้ปั๊บมันก็นดับอาศัยสติตัวเดียวเป็นตัวปลุกจิตของเราให้ตื่น ให้มีพลังมากมากกว่าย อ, อย่างอื่นไม่งั้นมันถูกอย่างอื่นแทรกเข้าไปจิตของเราเป็นสิ่งที่อารมณ์จะพึงไปปรากฏแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราพยายามตั้งเจตนาทางความรู้สึกให้ชัดที่สุดมันเกิดเจตนามันเกิดพื้นฐานของความรู้รู้ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้อย่างอื่นมันก็แทรกไม่ได้ ตัวที่พายหเรารู้ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ชัดเจนที่สุดก็คือตัวสติตั้งกติความตื่นรู้อยู่ในจิตเพราะฉะนั้นท่านพิ้ว่าเอาไปใช้กับประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์ทั้งหมดมใ น, นเมื่อเราตื่นรู้ตลอดอยู่แบบ น, นี้มันไม่ทําไปด้วยความรุ่มหลงความรุ่มหลงไม่รูปไม่คลั่โมหะคือความหลง <c oughs> เมื่อเราไม่ทันมันมันก็ถูกลูกคลั่ถูกความหลงลุกคลั่หลงก็คือไม่รู้เหมือนแสงมันเรีบเรียบๆรียรียบรียรบรีรรีสว่างบ้างไม่สว่างบ้างมันมองอะไรเห็นไม่ชัดอารมณ์ที่มันไม่ชัดในใจนั่นแหละมันมีสิ่งแทรกเข้าไป ทำยังไงครับต้องการให้มันชัดเหมือนอย่างเราตั้งใจบริการพุดโธพูดโธพุดโธต้องการให้าราพูดโทรอยู่ชัดรังโมเราก็ตั้งเจตนาเต็มร้อยเข้าไปเจตนาคือใจอหละตั้งใจอะไะตั้งใจเต็มร้อยเข้าไปตั้งสติเต็มร้อยเข้าไปแก้กันพูดเฉยๆความรู้สึกเดียวที่มันทํางานอยู่ เราจอมาอย่างนี้ตลอดธรรมจิตของเราตื่นธรรมะจิตของเรามีสิ่งปลุกให้ตื่นมีผู้ปลุกให้ตื่นสติก็เกิดจากจิตนั่นแหละจิตก็คือจิตสติก็เกิดจากจิตเกิดด้วยอารมณ์เดียวกันตั้งอยู่ด้วยอารมณ์เดียวกันดับไปด้วยอารมณ์เดียวกันติสติรู้เบชนา เวทนาเกิดที่จ well, no ิตจิตดวงเดียวแสดงอะไรทุกอย่างในโลกให้ปรากฏกับเราจิตดวงเดียวเนี่ยแสดงทุกอย่างทุกเรื่องให้ปรากฏในจิตของเราถ้าไม่รู้จักอะไรจะปรากฏหรือไม่ปรากฏไม่รู้จักก็เหมือนเสาต้นหนึ่งจะรู้จักอะไรเสาต้นหนึ่งไม่ใช่ทารู้ ไม่มีสิ่งรู้มันดินที่เราเหยียบเหยียบย่างเข้าไปไม่มีทารู้ไม่มีสิ่งรู้แต่จิตของเรามันเป็นทารู้มันมีตัวรู้มันมีผู่รู้มันเป็นแก้วสารพัดนึกนะจิตดรนี้นะปรับให้ดีใช้ให้ดีฝึกให้ดีฝึกได้ดีได้ฝึกไม่ได้ดีไม่ได้ คำวแก้วสารพัดหนึ่งเหมือนเรามีมีดที่คมกริบอยู่ในมือเนี่ยสบัดซ้ายขวาขาดเดินไปในที่เรากสบัดซ้ายสบัดขวาเขาดกิ่ไม้ใบไม้ใบหญ้าต้นหญ้าในสบัดซ้ายสบัดขวาสบัดซ้ายสบัดขวาความตื่นรู้ผู้สติคือสัมปชัญญะของเราเนี่ยผู้เชีเ่ยวกัญ มีความตื่นรู้อยู่ในตัวโปร่งอยู่ในตัวชัดเจนอยู่ในตัวตั้งขึ้นมาเพื่อติดตั้นตัณหามให้มันเกิดตัณหา ม, มันมากับความมืดมันมากับอวิชชาความไม่รู้มันมากับความหลงความมืดมืดควา ม, มคลั่ง รู้อยู่ ร, รู้ไม่ค่อยชัดสว่างอยู่แต่สว่างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมืดสว่างข้างหนึ่งข้างหนึ่งมืดฤทธิปรีฤทธิปรีฤทธิ ร, ร, ร, ร, รีมันไม่มีอะไรชัดสา ย, ยางแต่ถ้าเราตั้งเกียร์จำงเต็มร้อยตั้งเกียรตาาเต็มร้อยพุโทโธเราลองตั้งลรงดูมันชัดไหมตัวชัดที่สุดนั่นแหละคือตัวที่เราตั้งสติของเราที่มันตั้ง ยังตั้งให้ตื่นรู้ตื่นรอยู่อย่างนี้ตลอดนั่นเป็นผู้มีสติพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพุทโธไปพอมันขาดกาันตั้งเกตนามันจางไปจางไปจางไปพุโทโธหายไปไหนกันแล้วพุโทโธมันไม่ชัดพุดโทโธมันหายไปไหนเราพยายามผูกจิตด้วยพุโทโธ เอาสติมาผูกจิตเอาสมาธิยั่งยักมาตื่นรู้อยู่เฉพาะจิตตั้งเจตนาให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวไม่มันโดดไปหลายอารมณ์อารมณ์ถึงอารมณ์สมถะมันจิตให้มันอยู่สงบจิตที่อยู่จิตที่สงบตัญหามันไปแทรกจิตไม่ได้ ตัญหาคือเหตุให้เกิดทุกข์ที่เราทำทั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อต้องการต้องการดับทุกข์ที่เราตั้งใจทำเราทำต้องการดับทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนท่องบนุษื์ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราทำทำไมทำเพื่อหวางพ้นทุกข์ ถ้าปัจจ er. ri right ุบันพ right ้นทุกข์มาได้อนาคตจะพ้นได้อย่างไรขนาดของจิตเดี๋ยวนี้เราดึงออกจากกองทุกข์ม่ได้เราปล่อยสมุทัยมันย่ำยีทุกระยะทุกเวลาแล้วมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรดับทุกข์ไม่ได้ดับการถือเนื้อถือตัวดับไม่ได้การถือเนื้อถือตัวทาเกิดทุกข์ดับไม่ได้ ปัญหามแทรปัดเกิดการเกิดอันตาเกิดตัวเกิดนตนเพราะตัวตนโผล่ม า, าการถือหน้าถึงตัวก็มีเรามีเราเห็นเรามีเกียรติเรามีศักดิ์ศรีเราด ย, วาา ก, ยกว่าเราเก่งกว่าเราหล่อกว่าเนี่ย มากกว่ากว่านี่คือการถือตัวเราถืออะไรก็ทุกข์กันนั้นถืออะไรก็ทุกข์กันถืออะไรก็ทุกข์กันนะั้นถือในส่วนที่เป็นสมุไทยถืออะไรก็ทุกข์กับอันนั้นแต่ถ้าถือในสิ่งที่เป็นมรรคถืออะไรก็พ้นทุกข์กับอันนั้นถืออะไรก็พ้นทุกข์กับอันนั้นมีสติมีปัญญาประกอบอยู่นั่นแหะเป็นมรรค มีสมาธิมีสติมีสังชัญญามีปัญญามีมักประกอบอยู่ความทุกข์กระดับไปมีมัประกอบอยู่ความทุกข์กระดับไปเมื่อสมุทัยโผล่ขึ้นมาเสริมมันหนักเกาตัวทุกข์อีกแล้วกอบทุกข์อยู่แล้ว สมุทัยแทรหมาเกี่ยวข้องกับอะไรทุกข์กับอันนั้นมันแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอะไรทุกข์กับอันนั้นกับสีนั้นทุกข์กับอะไรบ้างเราจับรู้ที่จิตของเราเดี๋ยวขณะนี้ตอนนี้จิตขณะนี้จิตตอนนี้จิตมันเกอกมันเกี่ยวมันผูกพันกับอะไรบ้างทุกข์กับอันนั้นแหละถ้าไม่เชื่อมมาถ้าเป็นเรื่องของตังหามาแทรกมันเป็นเรื่องของสมุทัยข้านั้น ความหลงวิชามาครอบมาปิดมาบังความสว่างของใจความตื่นรู้ของใจความรู้ของใจเหมือนกับใจสวา่างความรู้ของใจเป็นวิชาความสว่างของใจเป็นวิชาวิชาแรียว่าความรู้มีหัวจะว่าสว่างก็ได้อสรพิทไม่กล้าแสดง ที่ตรงไหนสว่างสว่างอสรพิษมืดๆผ่านที่ตรงไหนมืดๆทึบๆมีสิ่งปิดบางมีสิ่งอัมพรางเนี่ยอสรพิษไปซ่อนอยู่เต็มกิเลสตัณหาที่มันแสดงออกมาที่ใจของเรามันจะแสดงมาในขณะที่ใจเรามืดๆทึบๆโมหะมาครอบแบบมืดนมืดๆทึบมันโผล่มาแล้วอัตตาตัวตนมันโผล่มันเยิ่มเข้ามาแล้ว สัญห า, าราคามันโผล่ขึ้นมาแล้วความลึกความความเกลียดความเครียดความแค้นชิงชังความโกรธโมโหโทโสโผล่เข้ามาแล้วถือเราถือเขาถื อ, ถอมองถือกูเกิดขึ้นแล้วถือของเราของเขาเราได้มากเขาได้น้อยเราได้น้อยเขาได้มากเราไม่ได้เขาได้เราได้เขาไม่ได้ สิงที่แทรกมาทุกอย่างคราวๆที่เราปล่อยตัหาแทรกเข้ามาทุกบททุกบาทของมาหาสติทํากับสิ่งเดียวไม่ให้โผล่ไม่ให้เกิดคือตัณหาตัณหาม่กัวสิ่งเดียวมันไม่กล้าโผล่เข้ามาสติธรรมสำมัญญาทำปัญญาธรรม จะว่าอะไรจะใช้ทั้งหมดขันติธรรมวิทยธรรมตะปะธรรมอะไรที่เป็นธรรมธรรมธรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องกำกับมันมันไม่ต้องโผล่เข้าสประมานทั้งหมดทำเพื่อรักเพื่อดับทุกข์ผลฉเพื่อรักเพื่อขัดเพื่อกลา่าวเพื่อ ดับตัณหาต่อค้อนกับตัณหาอย่างเดียวเราจะเป็นกายแล้วตามไม่ว่าจะเป็ น, นวเนวทนาก็ตามไม่ว่าจะเป็นจิตพิจารณามาที่จิตพิจารณาที่จิตพิจารณาอะไรจิตโลกตามรู้จิตพอเราตั้งตัวตามรู้พังมันก็นดับ ถ้าทันนะถ้าไม่ทันยืดไปได้ยาวสักเท่าไหร่ไม่รู้มันจะไปตั้งตัวได้ยาวเท่าไหร่ก็ตามพอเราตามทันมันก็ดังพราเราตื่นทันมันก็ดังบางคนก็ตื่นช้าบางคนก็ตื่นเร็วบางคนก็บางคนก็นกรู้อยู่อย่างนั้นแหละมันมันพาให้อารมณ์ของสมุทัยยืดไม่ได้ โผล่ก็ดับโผลมากก็ด oh, ับโผล่มากก็ดับจนไม่กล <With> ้าโผลไม่กล้าโผล่มาเพราะผู้เราตื่นโกรธอยู่มันไม่กล้าแสดงออกมาอารมณ์ที่มันรุนแรงแสดงออกมาที่จิตแสดงออกมาได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์อารมณ์ปัะจุบันถ้ามันอยู่สองอารมณ์สาอารมณ์ไม่ชัช่ยาบางทีก็มีมัอยู่ บางทีก็มีสมุทรไทยอยู่ด้วยเฮเธอเกิดทุกข์มีมากก็คือข้ อ, อ ก, กําจัดทุกข์ข้ อ, อปฏิบัติเพื่อขัดเกลอบังวัดทุกข์แต่ก็มีเฮให้เกิดเกิดทุกข์ด้วย น, นั้นตามมาด้วยเหมือนอย่างเราพิจชฌาสุภะถ้าเราไม่ระวังระวังไม่พอสมุทรไทยตามมาด้วย พิจารณาเห็นเป็นตัวเป็น เ, น, เ น, น่าพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปมันสวมรอยตรงที่ละเอียดนเลยแทนที่แทนที่จะเป็นอสุภะ ค, ความไม่งามกลายเป็นงามเยิ้มขึ้นมาทันทีเนะี่ยเสียข้ามาแล้วไม่ทันมันมันสวมรอยขึ้นมามันสวมรอยตอนไหนตอนที่สติเราจะความเพียรเราจะ ใจเรามือ่อทึกขึ้นมาอาวิชาครอบความหลงก่อครอบอวิชาครอครอบความมืดกร อ, อครอ บ, อรอบสติก็ตกไปสมรชัญญาก็ตกไปปัญญาก็ตกไปแต่สมาธิเป็นคุณธรรมที่จะล่ำหลอมสิ่งเหล่านี้รวมมามันเป็นสภาพธรรมที่ปรัชญาของเราเนี่ยเชื่อ ไม่เร็วเพื่อพระไม่ใช่เห็นเพนื่อพระนุมไปอยู่กับรูปจิตไปอยู่ที่รูปได้ยินเพนื่พระนุ่จิตไปอยู่ที่สิ่งที่ได้ยินสมาธิช่วยดึงให้จิตของเราเชื่อมตาเห็นรูปแต่มันไม่ได้อยู่ที่รูปมันอยู่ที่ตัวเราความรู้สึกอยู่ที่ตัวเราโอ้ยอยู่เห็นอยู่กับรูป รู้ดีรู้มืดีรู้หมดรู้แล้วก็ตกไปรู้แล้วก็ตกไปเพราะมันมีตัวรู้รู้ตื่นอยู่มันไม่มืดไม่ทึบมันไม่เบามันไม่จางมันไม่ขาดช่วงตัวนั้นเกิดไม่ได้โผล่ไม่ได้ขณะปัจจุบันเราทำได้อย่างนี้แล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆนี่คือคุณสมบัติ ต้องการให้เกิดสมถกะก็ได้ต้องการให้เกิดวิพัฒนาก็ได้เพราะวิธีนี้คือวิธีที่เอาอยู่หมัดมาปฏิบัติจนเริงแนวปฏิบัติที่กว้างเหมือนกับรอยเท้า้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทุกประเภทรเราเห็นรอยเท้าของสัตว์อะไรก็ตามเล็กกว่ารอยเท้าของ้าง ข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนมากที่พุทธเจ้าท่านทรงแ ส, สดงหนุหนยิ้มอยู่ทั่วๆไป<ร>ไม่พร้อมเหมือนในหลักพหัสปฐฐานที่ท่านทรงเอามาพูดมาอา่านโจงทรงอามาแสดงกายเวทนาจิตธรรมกิตเนี่ยมันแสดงออกมาที่กายตามพิจารณาตามรูกายเนี่ยมันแสดงออกมาที่เวทนา ตามพิจารณานะตามดูเหนาคือเรียนสแสดงออกมาที่จิตตามพิจารณานะตามดูจิตคือเรียนสแสดงออกมาที่ธรรมธรรมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจธรรม อ, รอารมณ์ธรรมอารอมณ์ตอรู้จักนะหนึ่งธรรมธรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจสองผลของธรรมะ ที่เราปฏิบัติได้แล้วมีผลเช่นอย่างสมาธิธทมปัญญาทมเกิดความสว่างสวยเกิดรู้เกิดเห็นจิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรก็ตามท่านไม่ยุดท่านให้ปล่อยไม่ให้เอาตัวเองไปสำคัญมั่นหมายว่าเรารู้เราเห็น แต่ความรู้มันบบาอยู่ข้างในอ่ะว่าเร า, าเราู้เราเห็นแต่ไม่ให้ยึดถ้ายึดก็หลงทันทียึดก็หลงทันทียึดก็หลงทันทียึดจริงใดทุกกับสริงนั้นเกาะจริงใดทุกกับสริงนั้นยึดก็คือป่าทานแสดงว่าทัานถามมันแทะขมาแล้ว สนามมุ่งสวงรอเข้ามาแล้วปัญหาทําให้เรายึดรู้เห็นสิ่งใดก็ตาท่านให้รู้ท่านมาให้ลุ่มหลงแล้วก็ยึดเอารุ่มหลงแล้วก็ยึดเอาซุ่มซุ่มเดาเดาลุ่มหลงแล้วก็ยึดเอาซุ่มซุ่เดาเดาลุ่มหลงแล้วก็ยึดเอาปวดอ้างสําคัญมั่นหมายว่าเราได้ว่าเรามีว่าเราเก่นเพราะ เราขาดการตามพิจารณาให้มองเห็นเป็นสภาวธรรมสักวตัวว่าเป็นสภาวธรรมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราไม่มีเขาทํความ ร, รู้จักกับความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา แต่ว่ากิริยาอา ก, การของสภาวะธรรมมันแสดงให้ปรากฏกับเราไม่มีตัวยึดปัญหามันแทรกเข้าไปไม่ได้ไม่มีตัวยึดคือปานทางสิ่งที่เราจะไปขอทุกข์ขอโทษไม่มีที่ขอหมดภพหมดชาติถ้าเราปล่อยมันก่อมันกลายเป็นภกเป็นชาติขึ้นมา เหมือนอย่างทำงานเดี๋ยวนี้เรารู้สึกหิวอะไรขึ้นมาสิอย่างกาแฟน้ะงนุกาแฟน้อเออน้ำร้อนมีด้วยก็มีกาแฟที่อินทัีย์สองสองสองเนี่ยมันนีมันมัดแล้วนะนี่ปาทานนมันมัดลยนลุกออกจากนี้ไปชัดเลยไปโผล่ตรงนั้นเลยล่ะนี่นี่ในปัจจุบันมันเกิด พบชาติในอนาคตของเหมือนกันถ้าไม่มีในปัจจุบันเนี่ยอนาคตไม่มีเมื่อมีในปัจจุบันเนี่ยอนาคตก็ตามมาทําไมเราจะชักจะล้างจะขัดจะกล่าวจะฝึกจะซ้อมให้เรามีกําลังแก่กล้ามีสติให้ปัญญาของเราเจอจา้าพร้อมตัวอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขณะ น, นี้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนสําคัญที่สุดอันนี้คือวิธีระงับดับทุก ได้ ท, ทันท่วงทีตับทุกข์ก็คือดับตัณหานะั้นเพราะตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาไม่เกิดในที่ใดๆทุกข์ไม่เกิดในที่นั้นๆตัณหาโปล่ที่ใดทุกข์โปล่ที่นั้นขึ้นชื่อว่าพบชาติไปเกิดที่ใดทุกข์เกิดที่นั้นมีพบชาติน้อย ก็มีทุกน้อยมีพพชาติมากก็ทุกมากน่าแต่ทัานพูดถึงพระอนาคามีระดับชั้นสุทาวาสหมายว่าหนะ <c oughs> มายความว่ายังมีทบอยู่เมื่อมีพบอยู่ก็มีความทุกข์ู่ะอนาคามีชั <c oughs> ้นสุทาวา อวิหาอา ต, าพพตัป่าสุท <Yes. S 1> ัศสาสุทัศสุทัศสีอการิตฐานตามไปที่ยังไม่ได้อรหตมะมันก็พัฒนาไปบนบนคุณธรรมของความเป็นพระอนาคาาอนาคาห้าห้าชั้นอวิหาอตตป่าสุทัศสาสุทัศสีบางอย่างพวกพัฒนาไปเ้วยอวิหาขยับขึ้นไปอตบป่า ขยับขึ้นไปสุทาาัศนะขยับขึ้นไปสุทัศีขยับขึ้นไปอัคนิฐาสุดถ้าเป็นผลไม้สุกสุกงอมเต็มที่เลยตรงขั้วขั้วของผลไม้เนี่ยมันหมดหมดยางเหนียวแล้วหล่นตุ๊ลงมาแล้วอัคนิฐ า, าไม่เป็นน้องใครไม่เป็นน้อง ถ้าเป็นผลไม้มสดไม่ต้องมีลมไม่ต้องมีใครเขยา่าไม่ต้องมีแรงแรงอะไรมารัา้งก็ไปสุดหมดหมดหม ด, หมดยางเหนียวว่ตงะหมดยางเหนียวเกาะที่ขั่วพลนตึบพลนตุบหมายค า, า, า, า, า, ามาถึงอาราาัตมาอรหัตผลจบแค่นี้มันไม่มียางเหนียว มันไม่ này, มีอะไรเกาไม่มีอะไรไม่มีตัวทุกข์ปัญหาเรื่องใหญ่คือเรื่องทุกข์ในหัวใจของเราเราทำอะไรทั้งวันก็คือยืนเดินนั่งนอนเราตั้งใจถามเพื่อไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นร่างกายเจ็บร่างกายป่วยทุกข์โศนาทุกข์ เวทนาเวทนามันมีประจํากายเราจัดการได้ไหมจัดการได้ตามดูเวทนาเนี่ยกายเจ็บกายป่วยกายปว ด, ปวดความรู้สึกเจ็บปวดทุกคเวทนาจัดการได้ไหมตามพิจารณากายไม่มีเราไม่มีของของเร า, ไ ม, มเราไม่มีกายเรา ไม่มันมีกายของของเราไม่อัดตา ม, มันโผลมันโผลขึ้นมาที่ไรอะไรมันถือเนื้อถือตัวถึงเนื้อถึงตัวถึงดีถึงเลวดูแต่ท่านแสดงเอาไว้ดีกว่าเขาทัากันว่าดีกว่าเขาเนี่ยก็คือถึงดีกว่าเขาทั้งปันว่าเสมอเขานี่คือถึง ดีของเขารับพันเขาเร็วเขานี่คือถือสําคัญสําคัญไอ้ตัวคําว่าสําคัญคือการถือถือเอายึดเอาถือเอาอเด า, าเอาสําคัญมั่นหมายเอาเราดูไปที่กิริยาที่ใจของเราสิเราเรียนมั้งมันแสดงมาที่ใจของเราสําคัญมั่นหมายเอาตัวเสมอเขาสําคัญว่า เสมอเขานี่คือถือสําคัญว่าดีกว่าเขาคือถือสําคัญว่าเร็วกว่าเขาคือถือตัวเรวกว่าเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขานี่คือถือสําคัญว่าดีกว่าเขาก็คือถือสำคัญว่าเสมอเขาก็คือถือไม่เหยียด น, นะมันหลงเหลืออยู่ตามภูมิชั้นของมันต่าฐานจิตอของเรา มันหลงเหลืออยู่มัละเอียดอะไรทุกอย่างท่ามันเข้าตนแล้วมันเป็นเรื่องของมันทั้งหมดทําไมเราจะทำทำเหตุที่เกิดทุกทำเหตุที่ก่อทุกทำไมเราจะทำถ้าไม่เอาสติมาตั้งโรู้ตั้งเจตจำนงให้เต็มร้อยปลุกผู้รูร้ใหยตื่นโรูตลอดทุกเยาวทุกเลาถูกได้ไหม ก็ตัวสติทำนี่แหละเป็นคุณสมบัติของจิตสามารถเอามาทำงานได้ทาสังสมสะสมอบรมบกบิดสีมันก็พิัฒนากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นสติแข็งกล้าขึ้นปลุกจิตให้ตื่นโลยิ่งขึ้นตื่นโลยิ่งขึ้น งานภัยใจทำได้เดินไปตางไหนก็ทำได้ยืนตรงไหนก็ทำได้นั่งตอนก็ทำได้เอากายของเราไปทำงานเราก็จฉลอยลอเอาไว้ทำความรู้รู้ให้เท่าทันถ้าเราไม่ท่านไม่ท่านใจญดจ่อรู้เท่าทันมันสวมรอยเข้าไปแล้วทีแป๊บเดียวสวมรอยแล้วแป๊บเดียวเอาไปใช้แล้ว เดินนั่งนอนทุกุตอย่างพทําได้ถ้าเราทําได้อย่างโต้เนื่องไม่ปล่อยช่าให้มันแทรกเข้ามาวันนี้มันก็แทรกเข้ามาไม่ได้พรุ work, we work, we like ่งนี้มันก็แทรกเข้ามาไม่ได้เมื่อวานนี้มันก็แทรกเข้ามาไม่ได้กําลังมันก็ตกไปตกไปตกไปตกไปกําลังของทำก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มข้นตาไปทำไม่มีกําลังมากกว่า จะไม่ทันมันสู้มันไม่ได้ทําบใดทำมีกำลังมากกว่ามันก็ไม่ทันทําโผล่ขึ้นมาไม่ได้โผล่ขึ้นมาทุบโผล่ขึ้นมากทุบ ม, มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราไปทำํำร่าพอสมควรเวลา <c oughs> <c oughs> <c oughs> 考虑一